ตำนานเกี่ยวกับพระยามานพระยามาราธิราชโพธิสัตว์ที่จริงแล้วท่านก็คือพระมหาโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งจัดอยู่ในประเภทพระนิตยาโพธิสัตว์ คือได้รับพุทธพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้วว่าจะได้มาตรัสลูเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนในอนาคตเหตุที่ได้ชื่อว่าเป็นพระยามาราธิราชเนื่องด้วยพระองค์ทรงเกิดจิตอิจฉาริษยาพระสมรโคโดมที่ได้มาตรัสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพระองค์ทั้งที่พระองค์นั้นได้บำเพ็ญพระบารมีมาก่อน แต่เหตุใดฉะไหนลือลาวพระพรหมและทวยเทพทั้งปวงจึงไม่อัญเชิญพระองค์ซึ่งขณะนั้นหรือแม้ในขณะทุกวันนี้เสวยพระชาติเป็นท้าปรนิมิตวัสวัตตีมาราธิราชเทวราชผู้เป็นใหญ่หนึ่งในสองพระองค์ที่ปกครองสวรรค์ชั้นที่หที่ชื่อว่าสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวตัตดีแต่กลับพากันไปอัญทูลเชิญ เท้าสันดุสิตเทวราชเทวราชแห่งสวรรค์ชั้นที่สที่ชื่อว่าชั้นดุสิตให้เสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงคอยหาจังหวะและโอกาสที่จะขัดขวางการตรัสรู้ให้จงได้และเมื่อสกโอกาสในช่วงค่ำของวันเพนเดือนที่หก ขณะที่พระสมณโคดมกำลังเตรียมการที่จะบำเพ็ญเพียนบา ร, รมีอย่างเต็มที่ท้าวปารนิมิตวัสวัตติมาราธิราชจึงได้จำแลงกายเป็นพระยาวัสวัตติมาราธิราชทรงช้างนามว่าครีเมขลากะลาเสนามาน และกองทัพมารทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยศาสตาวุธครบมือพากันมาอย่างมืดฟ้ามัวดินเข้ามารังควานโดยกล่าวว่าที่ที่พระองค์ประทับใต้ต้นโพนี้เป็นที่ของตนต้องการให้พระสมณโคโดมลีคลีหนีห่างไปให้พ้นถ้าพูดกันดีๆไม่ฟังก็ต้องใช้กำลังกัน แต่แทนที่พระพุทธองค์จะทรงเกรงกลัวกลับสงบนิ่งพร้อมกับทรงดารัสว่ามานเอยที่ท่านบอกว่าที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นของท่านแท้ที่จริงแล้วเป็นที่ที่เราบาเพ็ญบา ร, รมีมาช้านานใยญ่ท่านมากล่าวตูเช่นนี้ได้ฟังดังนั้นก็กล่าวถามไปว่า การที่ท่านบอกว่าที่ที่นี้เป็นที่ของท่านบำเพ็ญบารมีมานั้นท่านมีหลักฐานอันใดส่วนเรานั้นลาวพนมาณพวกนี้เป็นพยานให้เราได้พระสมณาโคโดมทรงดำรัสตอบว่าต้องการพยานหลักฐานกระนั้นหรือได้เลยพยามาแล้วพระองค์ท่านก็ทรงเปลี่ยนพระเอลียาบท จากท่าพระหัตต์ประสานกันขวาทับซ้ายมาเป็นพระหัตต์ขวาไปวางที่พระชานุหรือเขา่าชี้นิ้วพระหัตต์ลงบนพื้นดินส่วนพระหัตต์ซ้ายยังคงอยู่ที่เดิมหรือที่เรารู้จักกันในปางมานวิชัยและแล้วก็บังเกิดมีแม่พระธรณีแทกแผ่นดินขึ้นมาต่อหน้าพระพัก ระหว่างสมณโคโดมกับพระยามานพร้อมกับกล่าวว่าข้านี่แหละเป็นพยานให้เพราะรู้เห็นการบำเพ็ญเพียรของพระสมณโคโดมมาโดยตลอดและนี่คือหลักฐานที่พระสมณโคโดมได้หลั่งน้ำอุทิศในการบำเพ็ญทานบารมีเอาไว้เพราะธรณีได้บิดมวยผมซึ่งได้เก็บซับน้ำอันเนื่องมาจากหยาดน้าทุกครั้งที่พระพุทธองค์ทรงก ร, ระทาความดี ตั้งแต่ครัอนอดีตหลายแสนล้านพบชาติจนกระทั่งถึงปัจจุบันน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆเาวาทัพพยามาลก็แตกขบวนถูกน้ำพัดไปคนละทิศคนละทางแต่บัลลังก์ที่พระองค์ทรงนั่งก็ลอยสูงขึ้นตามระดับน้ำในที่สุดพยามาลก็ขอยอมแพ้ และได้กล่าวคำว่านณโมเป็นครั้งแรกซึ่งแปลว่าขอนอบน้อมหรือยอมแล้วพระยามารยอมรับการมาก่อนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและต่อมาเมื่อได้สนทนาธรรมก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสจนได้ขออนุ ญ, ญาตเพื่อบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต ยานนั้นก่อนที่จะมาเสวยชาติเกิดเป็นพยามานครั้งหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์และได้มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพะยามานผู้นี้ได้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพอมัเป็นถึงอัครเสนาบดีของพระเจ้ากิงกิษะมหาราชผู้มีพระทัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งพระเจ้ากิงกิศามหาราทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าฌานนิโรธสมาบัติซึ่งผู้ที่ได้ถวายทานเป็นคนแรกหลังจากพระพุทธเจ้าออกจากฌานจะเป็นบุญมหาศาลยิ่งนักถึงขั้นขออะไรก็จะสำเร็จดังนั้นทุกประการเลยทีเดียวดังนั้นพระเจ้ากิงกิศจึงประกาศห้ามผู้ใดไปถวายทานก่อนพระองค์เป็นอันขาด ใครฝ่าฝืนจะประหารชีวิตในทันทีโพอมามรตแม้จะทราบคําสั่งของเหนือหัวแต่ด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะถวายทานถึงกับไม่กลัวความตายรุ่งขึ้นจึงได้ชวนพระยาพร้อมด้วยเครื่องไยยทานรวมสองห่อตรงไปยังบริเวณต้นไทรใหญ่ ที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานอยู่ทหารรักษาการเห็นดังนั้นจึงตรงเข้าขัดขวางแต่โพอามาตได้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะถวายทานให้จงได้ที่จริงจะบอกไปก็ได้ว่าเหนือหัวใช้ให้มาอารัธนาเข้าไปในวังแต่ไม่ควรจะโกหกเช่นนั้นจึงได้บอกความจริงไปแม้จะต้องถูกประหารก็ไม่กลัวจึงได้ถูกทหารจับตัวไป เมื่อพระเจ้ากิงกิศ์ได้ทราบข่าวว่าเสนาบดีของตนเองได้ละเมิดคําสั่งเสียเองจึงพิโรธเป็นนันมากได้สั่งให้ประหารในทันทีฝ่ายพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่าโภอมาตได้มีศรัทธาแรงกล้าที่จะถวายทานแม้จะถูกประหารก็ไม่กลัว จึงทรงกรุณาแก่เสนาบดีเป็นนันมากได้เนรมิตรพุทธนิมิตให้สถิตแทนพระองค์แล้วไปปรากฏตัวแก่โพอมาตโดยให้เห็นเฉพาะโพอมาตเท่านั้นแล้วได้กล่าวว่าดูก่อนโพอมาตท่านทำถูกแล้วจงมีศรัทธามั่นเถิดอย่าอะไรในชีวิตไย่ทานของท่านอยู่ไหน จงถวายวเราเถิดเสนาบดีผู้น่าสงสารเมื่อได้ฟังคําตรัสของพระพุทธเจ้าแล้วได้เกิดความเลื่อมใสยอย่างสุดใจได้นำเครื่องยธยทานของตนและภรรยามาถวายด้วยศรัทธาอย่างที่สุดและได้ตั้งจิตปรารถนาแทบระบาดเอาไว้ว่าด้วยอำนาจแห่งผลทานครั้งนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการโน้นเถิดพระกัสปะพุทธเจ้าได้ยกพระหัตร์รูปศีรษะของโพอ ม, มารและได้กล่าวพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดขอสิ่งนั้นจงสำเร็จเถิดท่านจะได้อุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเบื้องหน้านน หลังจากนั้นเสนาบดีก็ถูกประหารชีวิตแล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตได้จุดตีจากดุสิตสวรรค์ ล, ลงมาเวียนไหวไตเกิดในสังสารวัตรมาช้านานจนล่าสุดได้ไปบังเกิดเป็นพญามารดังที่กล่าวไว้นั่นเองแต่เนื่องจากมีจิตลิศยาในพระพุทธโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราที่มาตรัสรู้ก่อนตน จึงได้ตามเฝ้าประจันขัดขวางต่างๆแต่ก็ไม่ได้ล่วงเกินบาปหนักแต่ประการใดต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้าของเราได้ปรินิพพานมาประมาณ200ปีเส็ษพระเจ้าธรรมมาโศกราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปทรงมีศรัทธาอุตสาห สร้างพระสถูปเจดีย์ถึง8 4 0 0 0สี่พันองค์เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และยังปรารถนาจะทำการฉลองใหญ่โดยมีการฉลองถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันให้สมกับความตั้งใจของพระองค์ที่มีมานานการฉลองใหญ่ครั้งนี้พระองค์เกรงว่าจะถูกรบกวนจับพยามาร ผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งนักและมีจิตนิสยาพระเจ้าธรรมาโสกราชจึงได้อาราธนาภิกษุสงฆ์เพื่อให้ช่วยป้องกันภัยจากพญามานนี้แต่ลาวสงฆ์ทั้งหลายในสังฆมณฑลรู้ตัวดีว่าไม่อาจสู้ฤทธิ์ของพญามา น, นี้ได้แต่มีภิกษุรูปหนึ่งจำพุทธพยากรณ์ได้ว่าจะมีภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งนามว่า อุปคุชเถระจักปราบมารให้รับพยศและจักปรารถนาพุทธ ภ, ภูมิกล่าวกันว่าอุปคุชเถระผู้นี้มีปกติสันโดษอยู่องค์เดียวชอบแผลงลิศลงไปในมหาสมุรอันกว้างใหญ่และเนรมิตปราศาสล้วนด้วยแก้วเจ็ดประการประดิษฐานอยู่ในท้องมหาสมุทรเน่าเหนือรัตนบัลลังก์ เข้าฌานสมาบัติสเสวยวิมุติสุขอยู่เพียงลำพังเป็นเวลาหลายวันจนวันพุทธเพ็ญกลางคืนจึงออกจากสมาบัติห อ, อกขึ้นมาบินทบาทบนโลกมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วจึงกลับลงไปเข้าฌานเป็นแบบนี้ตลอดเวลาและในครั้งนี้นี่เองพระอุปคุเทระได้ถูกพิสุจสองรูปผู้ได้อภิญญา ชำแรกมหาสมุดลงมาแจ้งโทษแก่ท่านว่าไม่มีสังฆกรรมร่วมกับสง์กรับมาหาความสบายแต่ผู้เดียวบัดนี้คำสั่งจากสงนำมาถึงท่านให้ท่านเป็นทุราป้องกันพญามารอย่าให้ได้มารบกวนงานฉลองของพระเจ้าธรรมมาโศกราชได้พระเถราน้อมรับคำสั่งโดยมิได้โต้แย้งใดๆ เมื่อวันเปิดงานมาถึงพระเจ้าธรรมมาโสกราชได้เข้าสู่บริเวณงานพร้อมด้วยคณะสงฆ์มากมายขณะนั้นเองพระยามารผู้มีใจริษยาอดใจไม่ไหวจึงลงมาจากปรณิมิตวสวตัตตีบันดาลให้เกิดพายุใหญ่พัดกระนำํำหวังจะทำลายงานดับประที่บูชาที่จุดสว่างสวยัย ฝ่ายพระอุปคุตเถระซึ่งได้คอยระวังอยู่แล้วจึงบันดาลให้พายุนั้นอันตรธานหายไปพิยามานได้โมโหโกรธาอย่างยิ่งและรู้ได้ด้วยฤทธิ์ว่าพระรูปนี้เองเป็นผู้ต่อก่อนจึงเปลี่ยนแผนแปลงร่างเป็นหัวกระทิงใหญ่ยักษ์เขาง้มแหลมคมราวกับหอกวิ่งพุ่งออกมาจากพุ่มไม้หวังจะทำลายโรงพิธีให้แหลกไป พระเถระเห็นเช่นนั้นจึงได้แปลงกายเป็นเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่ตรงเข้าตรุงบอนต่อสู้กันอย่างดุเดือดไม่นานนักวัวกระทิงก็โดนเสือตะปบไปนอนกองแทบจะตายแลแต่ไม่นานมันก็เปลี่ยนร่างเป็นพญานาคจัดเศียรพ่นไฟใส่เสือโครงไม้จะเอาชีวิตพระเถระเห็นว่าเสียเปรียบ จึงแปลงกายเป็นพญาครุฑตัวใหญ่โดดเข้าจิกหัวพญานาคลากริ่งไปอย่างไม่ปราณีเล่นเอาพญานาคร้องโอดโอยและได้เปลี่ยนร่างเป็นยักษ์ใหญ่ในตาดุดันถือกระบองยักษ์เท่าต้นตาลกวัดแกวงทุบหัวพญาครุฑโดยไม่รังรอพญาครุฑเห็นเช่นนั้นจึงเปลี่ยนร่างเป็นยักษ์ที่ใหญ่กว่าถึงสองเท่าถือกระบองยักษ์สองอัน เวียงเข้าทุบศีรษะพญามารอย่างรุนแรงและรวดเร็วราวจับผันยากที่พญามารจะป้องกันได้ในที่สุดพญามารก็กลับร่างและยอมแพ้พระเถระเห็นดังนั้นจึงไม่รอช้าเนรมิต ร, ร่างหมาเน่าทรงกลิ่นเหม็นฟุ้งเต็มไปด้วยหนอนและดึงประคดจับเอวของท่าน ออกมาผูกกับหมาเน่านั้นแล้วเหวี่ยงไปที่คอพญามานพร้อมกับกล่าวว่าไม่ว่าใครก็ตามไม่สามารถเอาหมาเน่าออกจากคอพญามา น, นี้ได้จากนั้นก็ขับไล่พญามานให้ออกไปจากพื้นที่นั้นพญามานผู้เลือดริตพอถูกหมาเน่าคล้องคอก็พานหมดริดเอาไม่อาจจะทำอะไรได้ จะเอาออกเองก็มิได้ได้แต่ไปอ้อนวอนขอให้เพื่อนเทวดาตั้งแต่เทวกษตรชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่หให้ช่วยเอาออกให้ก็ไม่มีใครสามารถเอาออกให้ได้ได้แต่แนะนำว่าให้ไปขอขมากับพระเถระดีกว่าให้ท่านช่วยแก้ให้พยาบาลไม่มีทางเลือกได้แต่จำใจกลับไปหาพระเถระ เพื่อขอเข้ามาและบอกให้ท่านช่วยเอาออกให้พระเถระยินดีเอาออกให้แต่ก่อนอื่นอยากให้ตามมาทั้งนี้ก่อนพระเถระได้นำพญามารมายังภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งแล้วหยิบเอาหมาเน่าออกและโยนทิ้งไปในเหวพร้อมกันนั้นก็เนรมิตปรากฏนั้นให้ยาวขึ้นและพันรอบตัวพญามารไว้กับภูเขา แล้วกล่าวว่าท่านจงอยู่ที่นี่จนกว่าพระเจ้าธรรมมาโศกราชจะทำพิธีฉลองสถูปเจดีครบเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็วันให้เสร็จสิ้นไปก่อนกล่าวจบก็เดินไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมามอง พยามาลได้รับความทุกขเวทนาที่นั่นเป็นเวลานา น, านถึงเจปีเจเดือนและเจดวันจนเมื่อครบกำหนดพระเถระได้กลับมาเพื่อที่จะปลดปล่อยพยามาลแต่ก็ได้เดินมาแอบดูก่อนว่าพยามาลเป็นอย่างไรบ้างพยามาลเองก่อนเคยมีวิมานมีสุข เมื่อมารับทุกขเวทนาเช่นนี้จึงละพยศในสันดานนึกถึงพระพุทธโคดมและกล่าวออกมาว่าเมื่อพระองค์สถิตใต้ต้นมหาโพธิ์ข้าพเจ้าคว้างจากอาวุธอันคมกร้าไปไม้จะปิดชีวิตพระองค์แต่จากนั้นกลับกลายเป็นดอกไม้บูชาพระองค์และไม่ว่าจะคว้างอาวุธอะไรไปก็กลายเป็นดอกไม้ไปเสียหมด คราวนั้นข้าพ่ายแพ้แต่พระองค์แต่พระองค์ก็มิได้โต้ตอบอันใดวันนี้สาวกของพระองค์ที่มีจิตใจเฮี้ยมโหดทำรา้ายข้าทำให้ข้าพระองค์ได้รับทุกสาหัสเหลือเกินคิดแล้วก็เศร้าโศกและโมโหเอาพระบาทกระทื้พื้นดังลั่นแต่แล้วก็หวนคิดถึงพุทธภูมิที่เคยตั้งใจไว้ที่แท้พระบาทพระกสปพุทธเจ้า ในที่สุดพญามารก็สำนึกได้จึงลดละความลิสยาตั้งใจยอยู่ในคุณธรรมเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแกสัตร์ทั้งหลายในอนาคตครั้นกล่าวจบพระเถระก็ได้แสดงตนออกมาและแก้มัดให้กับพญามารดูก่อนพญามารขอท่านยกโทษให้ข้าด้วย แม้การกระทําของข้าครั้งนี้จะทำร้ายท่านแต่ก็ทําให้ท่านระลึกถึงพุทธภูมิที่ท่านเคยตั้งใจปรารถนาไว้ต่อจากนั้นพระเถระก็ได้ขอให้พญามารได้แปลงกายเป็นพระพุทธองค์เพื่อที่จะได้เห็นพุทธานุสติบ้างพญามารรับคําแต่บอกว่าห้ามลืมตัวกราบไหว้เด็ดขาดมิฉะนั้นตนจะบามา รั้นแล้วพญามารก็เนรมิตนเป็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะและฉับพันรังสีอันวิจิตมีพระอัครส า, าวกเบื้องซ้ายขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จเยื้องย่างด้วยพุทธลีลาอันงดงามยิ่งนักพระเถระและพุทธบริษัทเห็นเช่นนั้นก็เกิดความปีติอย่างสูงยิ่ง ลืมตัวพร้อมกันนวัต ก, การด้วยเป็นจางข้าประดิษฐ์ทั้งสิน้นทำให้พญามารตกใจกลับร่างเดิมทำไมท่านลืมสัญญามากราบไหว้ข้าเล่าพญามารตาหนิพวกเราไม่ได้ไหว้ท่านหรอกเพียงแต่กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าและพระสาวกต่างหากแต่ข้าก็บาปนะท่านมีบาปหรอก ท่านได้ทำกุศลแก่พวกเราต่างหากจากนั้นพระยามานก็กลับคืนสู่สวรรค์และตั้งแต่นั้นมาพระยามานก็มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตลอดและบำเพ็ญตนเพื่อที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปพริยามานจะมาบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้ามีนามว่าพระพุทธธรรมสามี เป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวในกานนั้นต่อไปในอนาคตอันไกลโพน